<c oughs> ขังธรรมกันนะขงังธรรมปฏิบัติธรรมมีสติกายกายเป็นที่ตั้งอะไรเกิดขึ้นจะได้รู้ สิงที่เกิดขึ้นกับปากับใจสติรู้ได้เห็นจสติเข้าไปรู้เปลี่ยนในอะไรให้เป็นภาวะที่รู้นี่คือปฏิบัติธรรมด่าเปลี่ยนในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องให้เป็นความถูกต้องที่มันเกิดขึ้นกับปากับใจนี้มันเ็นมากเป็นผลนั่นเป็น คุณเป็นค่าเข้าถึงราวะอันนี้ให้ได้อย่าไปทำอย่างอื่นเอาจริงเอาจังกับสิ่งอื่นกับโลดกับโลกกับลดกับเสียงกลิ่นลดไะไรต่างๆอย่าไปเสียเวลาแก้ไขาตรงนี้ก่อนเชต่างๆเหมือ น, นกับ ข้าวเปลือกยังกินไม่ได้ออกเป็นข้าวเปลือกมันเป็นข้าวสารยังกินไม่ได้ข้าสุกที่อยู่ในหมอนึ่งเหมันสุกอั น, นั้นยังไม่ยังไม่สําเร็จประโยชน์ต่อเมื่อใดแล้วไรเอาข้าวสุกมากินมาเคี่ยวกลืนลงปอยจึงจะเป็นประโยชน์ ได้เลือดได้เนื้อได้ชีวิตขึ้นมาศาสนานี่มีพิธีศาสนาพิธีศาสนบุคคลศาสนวัตถุศาสนาธรรมศาสนาธรรมนี่เหมือนกับเที่ยวกินอาหารศาสนวัตถุเหมือนกับเฉงเอินที่เกิดข้าวขึ้นมา จะเป็นวิธีดีตองทำบุญทำทานห ว, นมมรวนรพระรักษาชิญแพ่เมตตาตรวจน้ำขอทยาภสูตรจงเป็นสาทพิธีอยู่ต่เมื่อใดเราได้มีสติไปในกายนี่นเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นปลายกับใจนี่ได้รู้สึกตัวได้รู้สึกตัวนี่นั้นเป็น มักเป็นผลอย่าปล่อยทิ้งสิ่งนี้ไม่ถูกต้องไว้ในกายในใจให้ขยันเปลี่ยนตรงนี้แก้ไขตรงนี้อย่าปล่อยทิ้งแ้ได้ชมผัดกับความรู้สึกตัวที่มันแนบแน่นอยู่ในกายในใจแล้วมันจะเป็นการงานของมันเอง งานของกอยงานของใจถ้าเราฝึกมันจะลับความถูกต้องสิ่งไหนไม่ถูกต้องมันไม่รับรับไม่ได้มันข่มขืนจะให้หลงไม่ได้เด็ดขาดจะให้ทุกข์ไม่ได้เด็ดขาดจะให้โกรธให้วิตุ ก, กังวลเกิดไหลขึ้นมาไม่ได้เด็ดขาดอ๋อควา ถูกต้องมังเกิดขึ้นแล้วที่กิที่ใจก่อนจริงก่านไม่จึงเกิดขึ้นแล้วเห็นแล้วปล่อยได้สมผัติแล้วจิตใจได้สมผัติแล้วมันอิมเพราะเรื่องนี้แล้วไม่ชีวิตีเพเรื่องนี้เหมือนกับการหิวข้าวจะปล่อยหิวไม่ได้มีข้าวกินกินนั่นดีธรรมะพร้อมทุกโอกาสหรือหลงพร้อมที่ไม่หลงนั่น มันกับคนหิวข้าวพ้อมดีกินข้าวไม่ต้องให้หิวขนขวยให้จนได้ขนหิวข้าวไม่ใช่จะพอกคนเดียวฉันสาลาจริงทุกขว่าดทิ้งไว้ได้กลัวไม่ทุกนนตองงลางถ้ามันสมผัดมันเคยกินชำนจํานานแล้วมันเป็นไปเอง เป็นอัตโนมัติจิตจะดูจิตเองกอจะดูกอยเองเราได้ฝึกตั้งแต่เบื้องต้นกำหนดรู้เดยก่อนรู้ควบมรูม้มาใช่รู้แบบแล้วว่านี้มันเป็นความรู้หอยคือรู้ใจคือรู้เสีแล้วนั่นมนเกิดเมื่อเกิดผลคือสมสำเร็จแล้วเราจะได ไม่ต้องเสียเวลาการแสดงธรามก็ไม่ได้ไปทําอย่างอื่นยอะแยะจิงอื่นให้คนพูดทั้งคนสอนจะที่นี่ขอบอกอย่างนี้ขอพูดอย่างนี้เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเวลาของก็หมดไปจริงๆเอาไปใช้อย่างอื่นมันก็ไม่มีประโยชน์เราจึงมาจับตรงนี้ได้มันจะได้ ชีวิตชีวิตนี่เลี้ยงด้วยทำสิขาเล่นทำอย่างนี้แล้วเป็นนักปวดมาแล้วน้อยู่วัดแล้วแม่คารว่าเจ้าโจมก็ดํารีมาแล้วแต่ว่าบวชออกปวดจากเรือนไม่เกี่ยวข้องแล้วคือเว้นจากความชั่วจะพยอมทําความดีนี่คือป่าวัชชะคือเนคขมมาดารีออก มาแล้วพร้อมที่จะเราจะพูดก็พร้อมที่จะเคี่ยวอาหารเกินลงไปแล้วเวลานี้การงานมายุ่งเหยิงสับสนไม่เป็นภาระอย่างอื่นนี่โอกาสแล้วจึงต้องทาให้เต็มที่กบเคี่ยวเต็มที่ให้ตต ว, วันโตเคินขึ้นมา วันคืนจเจริญเติบโตไปด้วยสติหนุ่ยมากด้วยผลประกอบกันมาช่วยโอกาสให้เป็นมีอยู่แล้วพร้อมแล้วมีสติก็อยู่ที่กายนั่นกายก็อยู่ที่นั่นมีกายอยู่ที่ไหนก็มีความรู้สึกตัวอยู่นั้น จอ ใ, ใจที่มันคิดนึกอะไรขึ้นมาได้ก็รู้จักตัวอยู่ที่นั่นการเบื้องต้นอาจจะเป็นการฝึกหัดมันมัเคยชิ้นมันเคยไหลมันติดอะไรมากายก็ติดอะไรมาใจมันก็ติดอะไรมาเป็นเรือพ่วง ในวันก็ไปโจด <c oughs> เต็นโจดไมีจำเลยแล้ว้าไปในห้องที่ศาลาเต็นไม่ขี่เต็นหัวบุรีเราก็บุนมาหลายวันแล้วเหม็นบุรีไปนอนพักอยู่ที่ภูเขาทอง ตอนออกกำลังกายได้กลิ่นบุหรี่กำลังสูดลมหายใจเข้าสูดลมหายใจออกเอาออกซิเจนอากาศบริสุทธิ์ตอนเช้ากลายเป็นคาร์บอนควันบุหรี่เข้ามาหายใจเข้ามาอิมต้องเอาผ้าปิดปาก่าออได้หลักฐานเมื่อวานนี้เอาฟ้องกันจอง หัวเมียอยู่ที่นั่นก็สามีก็ตรวจจับวุลีเรียกเมียก็เรียกมานี่ได้หลักฐานได้ไม่ขีดได้หัววุลีมาบอกต่อหน้าหลวงพ่อนี่ให้หลวงพ่อสอนก็บอกว่าสงสารหลวงพ่อบ้าไหมสี่สิบปีแล้วอยู่นี้ป้ายก็เขียนบอก เอกลักษ์ของวัดเขียนบอกเอกลักษณ์ของวัดมีอะไรบ้างมีข้อวัดปฏิบัติติดไว้หน้าฉลาตัวเท่าแขนเนี่ยหนังสือสงสารกันบ้างอย่าทําลายและเบียบอย่าทํำลายเอกลักษณ์ของกันณการให้กันลบบ้างแล้ลบสถานที่ นี่เหมือนเป็นวัดนี่เหมือนเป็นของพระอยู่คนชั่วอยู่วัดไม่ได้คนไม่มีฉินอยู่วัดไม่ได้วัดมาใช่ที่พักอาศัยอยู่วัดต้องละชั่วทำดีคนไม่มีฉินอยู่วัดไม่ได้เป็นบาป ก็ไม่มีใครจบวรีเรา ม, มาจบอย่างนี้เหถือว่าทำลายหยุดหยุดวรีได้ก็ดีหนีจากบ้านจากเรือนมาบ้านอยู่ที่อื่นมาอยู่นี่เพื่อปฏิบัติธรรมแค่นี้ก็เลิกไม่ได้อาจจะออนไลน์อาสอน สอนสร้างจังหวะนี่เอาวันนี้ลู่สึกตัวนี้พาเดินจังกรมนี่ให้ลู่สึกตัวนี้อย่าไปทาอย่างอื่นถําอยู่ที่นี่ให้ทําเรื่องนี้มันก็เป็นอย่าง น, านั้นมันก็ตีจริงจริงก็เห็นใจก็ต้องพาออกมาหน่อยต้องทนชั่งหน่อย นิโคตินมันอยู่ในลดร่างกายในเลือดแล้วมันก็เรียกร้องแสดงออกทั้งความหิวถึงกิจใจอารมณ์ด้วยต้องทนทั่หน่อยอารมณ์ที่มันติดชิงเฉิติ ด, ตดมันเป็นนิโคตินเหมือนเหมือนไฟมันไหมมาล้อมเราเราจะปล่อยไฟไหมมันก็ไม่ได้ ก็โ ด, ดข้ามลอกไว้เก็บนิดหน่อยพอมันหายพุ่นจากปวยไปแล้วก็ปลอดภัยก็ก็ดีฉะนั้นอะไรที่เหมือนเตดกันสู้สักหน่อยโกรธกานสักหน่อยเหมือนเฉนนิมเหมือนเหล็กที่มีเฉนนิม เนมมากก็ต้องโขูดมากออกแรงมากเสน่ห์น้อยขูดน้อยๆยชีวิตจิตใจของเราเนี่ยก็เช่นกันหรือตรงคือขูดกอกโดยเฉพาะมีสตินี่เรื่องยากกลาเป็นเรื่องง่ายมีกรรมฐานเป็นเครื่องมือกลับมากําหนดรูด้ซะ อะไรที่มันเกิดขึ้นมันกลับมาลู่ซะความหิวความอยากสูหรือให้กลับมาเป็นเผ่าพันธที่ลู่ซะอยากให้เป็นความอยากมันอยากสูบกลับมาลู่ซะไมันต้องไปอดทนต่อจริงหลอกนั้นให้มาลู่ซะมันจะเฉลียวนั่นจะเฉลี่ยหน่อย ไ, ไม่เต็มที่ แม่แต่ความเจ็บปวดกับมาลู้ความทุกข์กับมาลู่มันจะเฉลีย่ยไม่ร้อยเปอร์เซ็นอาจจะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นยี่เปอร์เซ็นถ้าทำได้อย่างนี้ก็เป็นคุณธรรมเกิดขึ้นชั้นใดชั้นหนึ่งจนไม่มีเปอร์เซ็น ศูนย์ไปเลยเหลือศูนย์ไปเลยเล่ก็ต้องสู้สักหน่อยมีสติเป็นเครื่องมือฝึกตนสอนตนได้แก้ความผิดเป็นความถูกเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เหมือนเปลืองถูกต้องเกิดขึ้นในกายในใจเราใ น, ใ น, น, นี่ยหายใจจะมีอานิสงส์ เมืองกาใจไม่มีพิษมีภัยก็เกิดอาเรียบุคคลเป็นพระเรี้ยเจ้าไกลจ้าฆ่าศึกสตินี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยทำให้ปุถุชนเป็นพระหันได้รหันเกิดขึ้นทีน่นี้ไม่ได้เกิดจากชาติตระกูลลัทธินิกายเกิดจากมีสติฝึกตนสอนตนนี่ ไม่ใช่อยู่ที่ไหนมีสิทธิอยู่ที่เรานี่แล้วเมื่อเจหอยเจเข้ารู้สึกหัวใจออกรู้สึกก็มีหนูโพธิแล้วยกมือเคลื่อนไหวรู้สึกนั่นมีหนูโพธิแล้วเป็นโพธิต้นกล้าน้อยๆถ น, นอมขึ้นมามีความเพียรเหมือนกับ น, น้ำฝนลดหลงปลอยให้งามจากต้นกล้ากลายเป็นต้น โตขึ้นมาเกิดดอกออกผลได้นี่ถ้าไม่มีการกระทำํำเกิดขึ้นไม่ได้มันทุกอย่างก็เกิดจากการกระทําจะอ้อนวอนไม่ได้ขอไม่ได้ <c oughs> จาระนี้ไม่ใช่เรื่องอ้อนวอนเป็นเรื่องการกระทําเกิดจากการกระทําของคนทำได้ความทุกข์เพราะทำไม่ถูกต้องได้ความไม่ทุกข์ก็เกิดจากขัดทําถูกต้อง อยู่ที่การกระทําแม่เราเจ็บแค่ไหนป่วยก็เกิดจากกระทําของตัวเราเองจะบุหรีก็เป็นโรคปอดเป็นโลค ก, ก็เป็นโรคตอบแข็งจึงต้องกลมเป็นของขององตนคําดีก็ยอมดีทําชั่วยอมชั่ว เล้าของผู้ทำต้องรับกรรมเป็นญาติทายาตกรรมทายาโตผู้ทำต้องรับกรรมเองทำอย่างไรก็รัผลอย่างนั้นผู้ทำกรรมดีก็ย่อมรับผลดีผู้ทำชั่วก็ยอมรับผลชั่วเหมืนหวานพืชเช่นใดย่อมใดรับผลเช่นนั้นปลูกข้าวย่อมได้ข้าวปลูกพริกย่อมได้พริก เรามอปลูกหนผูธี่นี่หนึ่งวันเจ็ดวันจะงอกงามขึ้นมาใจใจชักงหน่อยจะงามไปให้มีแนวร่วมเกิดขึ้นในความรักในความเมตตาสงสารตัวเองถนอมตัวเองบ้างอย่าทำให้หยาบคลายเกลียามาราญาติเข้าไปอีก นิสายหัดเข้าไปสติหัดเข้าไปสมาธิเข้าไปปัญญาลูบๆก็ไปอย่าซื่อบือ้อหลาอๆอย่างศรัทธาเชื่อว่าทำดีได้ดีจริงๆทำชัววช่วก็ชั่วจริงๆ ง, งั่นใจตรงนี้มีผู้สำเร็จว่าทำเรื่องนี้มาแล้ว ไม่ใชย่ยุ่งยากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนั่นเองเอาเรื่องที่ไม่ดีให้เป็นเรื่องดีเรื่องถูกตรงตรงเรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้นก็เราเชี่ยวอาหารเชี่ยวเองเกินเองอะไรที่มันไม่ใช่อาหารเวลาเราเชี่ยวจะได้ลูกถูกก้างถูกเหล็กถูกก้อนห็นมันจะได้ลูก คนที่ไม่เคี่ยวไม่รู้คนที่เคี่ยวจะรู้จักผิดถูกอะไรก็รู้จักคือนลงไปเกือนลงไปความอิ่มมันจะเกิดขึ้นมาใช้อิ่มเป็นอิ่มแต่เมื่อจะอิ่มต้องมีงานกบเที่ยวมีอาหารอาหารไก่อาหารไ่อาหารไก่้วนใหญ่เหมือนไก่หมูขึ้นตาชูช่างขายไม่มีค่า อาหารใยถ้าไล่ทาก็หมดลาค่ะมากินอาหารใจอาหารใจนี่เป็นมากเป็นผลคือสติอืนก็ไม่สมรรมวิจยะสอดส่องดูแลอยน่ีส่สงนะ้อยสิการขบเขี้ยวของหั ว, หว้หัวเห็น ก, น า, กายสบก่ยนั่นเราขบเขี้ยวแล้ว ไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาออกไปแล้วเหมือนไปขบเคียวอาหารที่ไปเจอก็เห็นเห็ น, นกาจะว่ากายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาเอาทิ้งไปแล้วถ้ามันไม่ถูกต้องก็เพราเคียวดูแล้วไม่ถูกต้องสัมบัติตัวแล้วสติได้รู้ได้เห็นรู้สึกตัวสุกทุกเวตนาก็เช่นกัน มันจะอยู่ในหลักนี่มันเป็นด่านที่เกิดขึ้นมาอะไรก็ตามมันบอกก็ามีสติมันบอ ก, ม, ม, บอกมันขบเคี้ยวเอาแต่เนื้อกากไม่เอาดูกกลิ่งหินดินไม่เอามันเป็นงานสมบัติในตัวมันเองการช่วยกาย มีสติดูจิตมีจิต ด, ดูจิตคิดจะดูจิตธรรมเป็นธรรมอนธรรมก็เป็นไม่อนธรรมเป็นอนธรรมอยู่เสมอแล้วจึงต้องเรื่องนี้ต้องเป็นตัวไขตัวมันตตนสนตนนแจ้ไขตนเตืตอ น, นตอ น, นอยู่เสมอ เดี๋วโตหวันโตเขินขึ้นมาหลงที่ไหนรูตรงนั้นใน้ความโตใน้ความถูกจะความผิดโบรานทั้งว่าลักยอให้บ่นลักสั้นให้โตโอความรูจากตัวความห ล, ลงจะชั้นลงเมื่อหลงเป็นรูน หลงจะสั้นลงความรู้จะยาวออกบั่นความหลงออกความรู้จะยาวไปนักยาวให้บั่นลักสั้นอห้โตปฏิบัติธ <c oughs> <c oughs> รรมนี่มันสมปรารถนาความปรารถนาวาดนาเขียนลงไปแต่งลงอย แต่งได้กายขอเราเนี่ยแต่งได้จิตใจของเราเนี่ว่าชนาเขียนลงไปให้มันถูกจุดไหนมันผิดให้มันถูกขึ้นมาทำเองอย่าไม่งดน้ำทำให้มันดีขึ้นมาใส่ ใ, สใจคอทำให้มันดีขึ้นมาไม่เป็นไร ช่างหัวมันเป็นเช่นนั่นเองทําให้นิสัยทำให้จิตใจนุ่มนวลดีเมตากรุณาปูพรมมองอะไรคิดอะไรเมตากรุณาออกหนะ้าพูดอะไรเมตากรุณาออกหนะ้าคิดเรื่องใดมีเมตากุณาออกหนะ้านี่คือชีวิตปูพร นุ่มนวลถ้าคิดอะไรชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจชีวิตโขกขะไม่นุ่มนวลเข็งกระด้างมองผิดมองถูกมองได้มองเสียมองไหนแย่ยไม่ดีอะไรก็ตามรีสุข ก, ก็ดีทุกข์ก็ดีไม่เป็นาย เป็นคำพวกทวานของจอยทวานแรกสุขไม่เป็นไรทุกไม่เป็นไรเนินท่าไม่เป็นไรสรรเสริญไม่เป็นไรหัวไม่เป็นไรกว่าช่างหัวมันพอช่างหัวมันก็เป็นเช่นนั่นเองหมดเลยวางไปเลยปัดมือไปเลยปัดก้นไปเลยเบาอิู่ไปเลยไม่หนัก เราจริงน้อยจังหนักเป็นพาลาหาเวปันจัดขันตาขันต่างาเป็นคนหนักดื้อกายคนหนักรูปคนหนักเวชนาคนหนักยึดไว้สัญญาก็ยึดไว้สังขารก็ยึดไว้วิญญาณก็ยึดไว้หนักเวลาหาโลจะบุคโล บ, บุคคลนั่นแหละเป็นผู้แดกของหนักพาไปหน้าบุหน้าเบื้องหนัก ลายยาเจ้ า, าจสลัดทิ้งของหนักหลงเสียแล้วทิ้งแล้วจว้ะเพรามันไม่เป็นไรเป็นแค่นั่นเองตั้งมาหยิบช่วยโอุหนักอันนื่นขึ้นมาอีนั่นชื่อมันเบาแล้วหัวตาอเบา ก, า ก, าก่อจิตต่อหัวตาอเบจิตง่ายง่ายของง่ายมันไหม เร า, าชอบของอยากวางซะก็ไม่วางไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่ากโกรธเถ้เพื่อนเลยไม่โกรธไม่ได้เหมือนว่าขนาดนี้เราไม่โกรธก็เหม็นหมอน่ะตีราคาความไม่โกรธเป็นหมอนเห็นกขงจักเป็นดกบัวเห็นหมูเป็นปลาเห็นเห็น ผิดเป็นถูกบางทีถ้าเราไม่หัดดื้อด้านมากจิตใจในหน้ากลัวที่สุดเลยไม่มีอะไรหน้ากลัวเท่ากับจิตใจเหมือนเสือตัวหนึ่งเสือลายตัวหนึ่งไม่เคี่ยวไม่เล็บเปรียบปวดทำลายตัวเองทาลายคนอื่นได้ข่าเหมันตายสเสือหนึ่ง ข้าคนนล้วมันตายซะคนมันเยอะแยะคนลรยคนดีข้าคนนล้วมันตายตายเป็นคนลร้คงดีแถมเหลือแต่มนุษย์ขึ้นมาเกิดมนุษย์ขึ้นมาประเสริฐขึ้นมาใจสูงขึ้นมาถูกโลกทักตมไม่ได้ไม่ต่ำเหมือนมนุษย์มนุษย์เหมือนตได้มันลำตํา ม, มนุษย์เพ น, นั้นใจสูง ฝึกหัดจนยกถอนหน้ขึ้นเป็นมนุษย์เป็นตรละยานชนขึ้นมากันละยานปุถุชนเป็นอเลียบุคคลขึ้นมาจากจิตใจดวงเดียวนี่ยมันพัฒนาแล้วจากจิตที่เปิดเพื่อนไปจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตเดิมๆแท้เดี๋ยวในจิตถูก กุศนข้อ ง, งามเรียกว่ามนทินมนทินแต่ก่อนจิตนี่เป็นบริสุทธิ์ไม่มีมนทินหรือว่าสุมนธาสุอะแบบ้างงามเรียบง่ายมนทินมนธาที่มันมีมนทินเพราะล็อกเอาไป ยักเอาไปยักขหนูยักขีน้นียักกันมีแต่ลบกันจับตาตาวธยักขูหนูยักขี้นีลบลา้าฝันกันที่ว่ายักจับตาตาวหน่าโวหน่ากลัวสุวมุนธามดีเลยเมื่อถูกมุนทินเอาไปแล้วก็ไป น, นันเด่นไปแล้ว จนคนอื่นไมดแล้วพึ่งกันก็มาได้แล้วคนเอาขึ้นมาสุเอาขึ้นมาเอาบริสุทธิ์คืนมาจิตเติมแท้ึ้นมาบริสุทธิ์คืนมามีความหลองเป็นความรู้หัดจิตอย่างนี้จิตจะได้เราโปรงบริสุทธิ์รอยเกิดขึ้นมารู้รู้รู้เข้าไปหังการโกหกเก่าเําไม่หมน ด, ดินหมดไปจนบริสุทธิ์ปลดปลง ไม่มีโลกโกรธหลงเป็นต้นมันเป็นประยา น, านกิจของคนเราเอถ้าเราทำงน้นดนอเนกสงน้อยประโยชน์ไม่เหนือการเกิดแจบเจ็บตายเหนือทุกเหนือโทษจุดนี้มนุษย์จงเป็นสัตว์ประเสริฐมันฝึกได้อย่างนี้วิชากรรมฐานฝึกกิจเป็นวิชาเอกของ ชีวิตเลือกเอ า, อาวิชานี่เปอกล่ะเนี่ยมันชื่อเอกโดยวิชาอื่นเหมือนกันเรียนทางโลกเอกที่สุดคือของจิตนั่นคือกรรมฐานมีสติดูจิจไม่สติ ด, ดูกายเนี่ยเอกตัวนี้ก็ไปได้ทั้งหมดครบวงจรจิตวิญญาณก็ดีเศ ร, รษฐกิจก็ดีสังคมก็ดีระเบียบไว้ไหนก็ดี การงานก็ดีไปกันได้หมดเลยถ้าจิตวิญญาณดีแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องดีไปหมดเกิดจากคนคนหนึง่งมีมือห้านิ้วสิบนิ้วเป็นเครื่องมือใช่ทํทำงานทําการให้เกิดความชอบขึ้นมาเจอลูกได้ได้มีจิต เราจึงต้องช่วกอดเทได้อย่าไปทําอย่างอื่นเถอะโลกไม่อกอดมาวันสิบวันเจ็ดวันแปดวันเท่าไหร่ก็ให้เป็นการปรปงานเท่านี้ให้มันชิมนิชิมนานเราคนหนึ่งก็ต้องมีคุณนค่ามากมีประโยชน์ต่อโลกอย่างน้อยก็ต้องมีประโยชน์ต่อญาติทุกคนก็มียอด มีพ่อมีแม่มีบุตปัญญาสามีพี่น้องจะได้เป็นประโยชน์ต่อญาติเป็นคนดีประโยชน์ในครอบครัวจะได้ทำให้เป็นลูกตุ้มถ่วงโลกไม่หมุนกี่ไปได้สู่กวาหมหอยยนะะเป็นลูกตุ้มถ่วงไว้อาจจะไป ติดกีดวิญญาณของลูกของหลอนได้เพราะแม่เป็นคนดีลูกเต้าก็เป็นคนดีพี่น้องเป็นคนดีได้หรือลูกเป็นคนดีอาจจะเป็นที่พึ่งของพกอกเราชื่นดุจชื่นใจได้กย เ, เห็นคนหนึง่งเป็นลกูกศิษย์เราเนี่ยก็มีมาปฏิบัติธรรมจะหมายไปอยู่กรุงเทพไปสอนธรรมที่กรุงเทพ ว่าจมวทนคนมาปฏิบัติก็เห็นโยมคนนี้เวลาปฏิบัติก็เห็นมาทุกเสา ท, กาทุกกรทิสมาอยู่วันอาปฏิบัติพวกหน้าที่ใดก็ก็มีความรอยยิ้มเหมือนกับมีความสุขแล้วเลยถามอะโยมตมาก็เห็นโยมเนี่ยนี้ลอยเดือน เป็นปีแล้วพึ่งปีข้อนปีรองดูท่าทางมีความสุขอะไรหรือเปล่าก็ไป่รูเห็นนต่ยิ้มแย้มแจ่มใสโอมก็าบอกช่างน่ะทั้งช่าง น, น่าสังเกตเลยไม่ได้สังเกตเพรเจอหน้าก็เห็นแต่รอยยิ้มไงก็จริงๆฉันก็มีความสุขนะสุขเรื่องอะไรโยมดิฉันมีลูกสองคน ลูกสองคนเป็นลูกชายทั้งสองคนเป็นคนดีทั้งสองเลยสามีก็ดีเป็นนายทหา ร, กรเกษียณแล้วแต่ลูกก็ดีสองคนดีหมดเหรียนจบรู้เลยพ่อแม่ยังดีเลยดิฉันมีลูกสองคนดิฉันมีความสุขมากลูกฉันเป็นคนดีนี่แล้วก็มีแล้วเราเป็นคนดีก็ ค, คนอื่นก็มีความสุขกัน ตะว่ายาตตะกิริยาประโยชน์ต่อยานใจเป็นน้ำยาใจเราใจเย็นดีอกได้ใจจะเป็นพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ได้พ่อลูกนิพพานได้ก็พ่อลูกเย็นใจอิ่มใจสุขใจเราให้เย็นใจน่ะเป็นบุญสุขใจน่ะเป็นบุญอิ่มใจนั่นแหะเป็นบุญถ้าเราเป็นคนชั่วตรงข้ามหิวหิวขวงญได้ขวัลูก หิวขมดีของบัญญ่างหิวข้อมดีของเส้ามีหั ว, ว, ห, วหิ้วน่เส้าน่ า, า, นามอนหิ้วท่านี้มันต้องล้ อ, อ ก, ก่อนจุดไปขึ้นไหมเดือดล้อนหาความสูกไม่มีมันจึงจำเป็นต้องกดหนักจิตใจ